คิริมานนทสูตรบัดนี้จักแสดงพระสูตรอันหนึ่งอันโบราณอาจารย์เจ้าหากกำหนดไว้ว่าคิริมานนทสูตรอ้างเนื้อความว่าครั้งปฐมสังขายนาพระมหาสังฆาหากะเถระเจ้าทั้งหลาย500องค์ย่อนโอกาสไว้ให้พระอนุนองหนึ่งได้เข้ามาสู่ที่ประชุมพร้อมแล้วคอยพระอนุนอ ง, องเดียวกำลังเจริญสมถะวิปัสนาอยู่ยังไม่ได้สาเร็จพระอรหรัน ครั้นพระอ น, นุทเทระเจ้าได้สําเร็จพระอัลลหันแล้วก็เข้าจตุทัดฌานเอาปัทวีกสินเป็นอารมณ์ไปปรากฏบนอาสนะถ้ำกลางสงฆ์ให้พระสงฆ์สิ้นความสงสัยในอรหัตตะคุณที่ถ้ำสัตบตบรรณขูหาปฏิญาณตนอเสัขปู่มด้วยประการชนี้แล้วพระมหาสังฆาาะเถระเจ้าทั้งหลายมีพระมหากสปะเป็นประธานจึงได้อาราธนาเชื้อเชิญให้พระอน์ขึ้นนั่งเหนือธรร ม, มาภิ แสดงพระสูตรสันตปิฎกยกคิริมานนทสูตรนี้ขึ้นเป็นที่ตั้งลำดับไว้อย่างนี้พระมหากัสปะเถระเจ้าจึงถามพระอา น, นุ์ว่าดูก่อนอา น, นุ์พระสูตรอันชื่อว่าคิริมานนทสูตรนั้นพระพุทธเจ้าแสดงแก่บุคคลผู้ใดและตรัสเทศนาณที่ไหนปรารบอะไรให้เป็นเหตุจึงได้ตรัสเทศนามีวิถีฐานพิสดารอย่างไรขอให้พระอา น, นุ์เจ้าจงแสดงต่อไปในการละบทนี้ พระอนนทเถระเจ้าผู้นั่งอยู่บนธรรมบ้านได้โอกาสแต่พระสงฆ์แล้วจึงวิสัชนาพระสูตรนี้มีคำปฏิญญาในเบื้องต้นว่าข้าพระเจ้าผู้ชื่อว่าอาน์หากได้สดับมาแต่พระอบแก้วกล่าวคือพระโอษแห่งพระพุทธเจ้าดำเนินความว่าสมัยกาลครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จสาราพระอิริยาบถอยู่ณพระเชตวันวิหาร อันเป็นอารามของอนาถปินทิกาเศรษฐีสร้างถวายใกล้กรุงสาวัตถีในการนั้นพระผู้เป็นเจ้าชื่อว่าคิริมานนทเถระผู้มีอายุเกิดอาพาธหนักเหลือกําลังที่จะอดกลั้นพระผู้เป็นเจ้าจึงให้เชิญข้าพาเจ้าผู้ชื่อว่าอานน์เข้าไปยังสํานักแห่งตนแล้วจึงกล่าวว่าดูก่อนอานน์ข้าพาเจ้าผู้ชื่อว่าคิริมานนนี้บังเกิดอาพาธหนักเหลือกําลังที่จะพึงอดกลั้น ไม่สามารถจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ขอนิมนต์ท่านอาณน์นําเอาอาการอาพาธอันร้ายแรงแห่งข้าพเจ้าไปกราบทูลให้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเพื่อทรงมหากรุณาสงเคราะห์ให้ทุกขเวทนาเจ็บปวดซึ่งเบียดเบียนอยู่ในร่างกายแห่งข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าคิริมานน์นี้ระงับอันตรธานหายเถิดข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าอาณน์รับเถระวาทีแล้ว ก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากลาบทูลอาการแห่งอาพาธและทุกขเวทนาตามคำสั่งของพระคิริมานนให้ทรงทราบทุกประการในการละครั้งนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อได้ทรงทราบอาการแห่งพระผู้เป็นเจ้าคิริมานนดังนี้แล้วจึงตรัสแก่ข้าอานน์ว่าดูก่อนอานน์เธอจงกลับคืนไปสู่สานักของท่านคิริมานนโดยเร็ว เมื่อไปถึงสำนักพระครีมานนแล้วเธอจงบอกสัญญาสองประการคือรูปปสัญญาหนึ่งนามสัญญาหนึ่งคือว่ารูปร่างกายตัวตนทั้งสิ้นก็ดีคือนามได้แก่จิตเจตสิกทั้งหลายก็ดีก็ให้โปรงธุระเสียอย่าถือว่ารูปร่างกายจิตเจตสิกเป็นตัวตนและอยากเข้าใจว่าเป็นของของตนทุกสิ่งทุกอย่างความจริงหากเป็นของภายนอกสิ้นทั้งนั้นดูก่อนอานน์ ถ้าหากว่ารูปร่างกายเป็นตัวตนเราแท้เมื่อเขาแก่เท่าชาราตามัวหูหนวกเนื้อหนังเหี่ยวแห้งฟันโยกครอนเจ็บปวดเหล่านั้นเราก็จะบังคับได้ตามประสงค์ว่าอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนี้นีเนนน่เราบังคับไม่ได้ตามประสงค์เขาจะเจ็บจะไข้จะแก่จะตายเขาก็เป็นไปตามหน้าที่ของเขาเราหมดอำนาจที่จะบังคับบัญชาได้เมื่อตายเราจะพาเอาไปสักสิ่งสักอันก็ไม่ได้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 เมื่อพระคิริมาณ น, นแจ้งแล้วอาพาธความเจ็บปวดและทุกขเวทนาก็จะหายจากรีระร่างกายแห่งพระคิริมานนสิ้นเสร็จหาเศษบ่มิได้จะหายโดยโรวดเร็วด้วยข้าแต่พระอริยกัสสปะผู้เป็นประธานในสงฆ์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแก่ข้าผู้ชื่อว่าอาณนน์ด้วยประการดังนี้และลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเทศนาแก่ข้าสืบต่อไปว่า ดูก่อนอา non นนตัวตนเราก็ดีตัวตนแห่งผู้อื่นก็ดีตัวตนแห่งสัตว์ดิริชานทั้งหลายก็ดีก็มีอยู่แต่กองกระดูกสิ้นด้วยกันเสมอกันทุกตัวคนและตัวสัตว์จะหาสิ่งใดเป็นแก้วเป็นแหวนเป็นแท่งเงินแท่งทองแต่สักสิ่งสักอันก็หาไม่ได้จะหาเอาอันใดเป็นตัวเป็นตนเป็นจิตเป็นเจตสิกแห่งบุคคลผู้ใดสักอันหนึ่งก็ไม่มีล้วนเป็นอนัตตาหาแก่นสารไม่ได้ บุคคลหญิงชายครหัข่ น, นักบวชทั้งหลายมาพิจารณาเห็นแจ้งชัดในรูปนามจิตเจตสิกโดยเป็นอนัตตาดังนี้แล้วก็จะมีอันิสงสงไม่มีส่วนที่จะพึงประมาณได้เหมือนดังสุภะะสัมมเนนท่านพิจารณาแต่คำว่าอัธิบินชังเดื่อในกระดูกเท่านั้นท่านถือเอาอัธิกะสัญญาอย่างเดียวเป็นอารมณ์ก็ผ่องใสรุ่งเรืองเห็นแจ้งในร่างกายของตนจนได้บรรลุธรรมวิเศษ เหตุถือเอาอธิกะสัญญาเป็นอารมณ์เห็นอนัตตาแจ่มแจ้งด้วยประการดังนี้ดูก่อนอานนบวรณะสัญญาพิจารณาความตายก็ดีอธิกะสัญญาพิจารณากองกระดูกก็ดีปฏิกูลสัญญาพิจารณาร่างกายนี้โดยเป็นของพึงหน้าเกลียดหน้าสะอิดสะเอียนเต็มไปด้วยมูนอนและสัตว์ทั้งหลายมีประการเป็นอันมากตามลาไส้น้อยลาไส้ใหญ่ ตามเส้นเอ็นทั่วไปในร่างกายและเต็มไปด้วย เ, เครื่องเน่าเหม็นมีอยู่ในร่างกายนี้ทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายนี้นับว่าเป็นของเปล่าไม่มีอะไรเป็นของเราสักสิ่งสักอันเกิดมาสำคัญว่าเป็นสุขความจริงก็หากสุขอย่างนั้นเองถ้าจะให้ถูกแท้ต้องกล่าวว่าเกิดมาเพื่อทุกเกิดมาเจ็บเกิดมาไขา้เกิดมาเป็นพยาธิเจ็บปวดเกิดมาแก่เกิดมาตายเกิดมาพลัดพรากจากกัน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 ในปรัตแต่ยุบันนี้โดยไม่ต้องสงสัยดูก่อนอานนท์นักปราชท์ทั้งหลายผู้ฉลาดด้วยปัญญาท่านบำเพ็ญอสุภานุสติกรรมฐานปรารถนาเอาพระนิพพานเป็นที่ตั้งนั้นท่านย่อมถือเอาอสุภะในตัวเป็นอารมณ์ของกรรมฐานถ้ายังเอาอสุภะภายนอกเป็นอารมณ์อยู่แล้วยังไม่เต็มทางปัญญาเพราะยังอาศัยสัญญาอยู่ถ้าเอาอสุภะในตัวเป็นอารมณ์ของกรรมฐานได้ จึงเป็นที่สุดแห่งทางปัญญาเป็นตัววิปัสนาญาณได้ดูก่อนอานอนลบุคคลผู้ใดปรารถนาพระนิพพานจงยังอสุภกรรมฐานในตนให้แจ้งชัดเถิดครั้นไม่เห็นก็พิจารณาปฏิกูลสัญญาลงในตนว่าแม้ตัวของเรานี้ถึงยังมีชีวิตอยู่ก็หากเป็นของน่าเกลียดพึงเบื่อหน่ายยิ่งนักถ้าหากว่าไม่มีหนังหุ้มห่อไว้แล้ว ก็จะพึงเป็นของน่าเกลียดเหมือนอสุภาะแท้หากมีหนังหุ้มไว้จึงพอดูได้อันที่แท้ตัวตนแห่งเรานี้จะตั้งอยู่ได้ก็ด้วยลมอัดสาสะปัดสาสะเท่านั้นถ้าขาดลมหายใจเข้าออกแล้วตัวตนนี้ก็จะเน่าเปื่อยผุพังไปแต่นั้นก็จะเป็นอาหารแห่งสัตว์ทั้งหลายมีหนอนเป็นต้นจักมาเจาะชัยกินส่วนลมหายใจเข้าออกซึ่งเป็นเจ้าชีวิตนั้นเล่า ก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ของของตัวเขาอยากอยู่เขาก็อยู่เขาอยากดับเขาก็ดับเราจะบังคับบัญชาไม่ได้ตามปรารถนาถ้าขาดลมหายใจเข้าออกแล้วความสวยความงามในตนและความสวยความงามในภายนอกคือบุตรภรรยาและเข้าของเงินทองและเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งปวงก็ย่อมหายไปสิ้นด้วยกันทั้งนั้นเหลียวซ้ายแลกว่า ก็จะได้เห็นบุตรภรยาและนัดดาหาไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวในป่าช้าหาผู้ใดจักเป็นเพื่อนสองมิได้ดูก่อนอานน o ์บุคคลผู้ใดมาพิจารณาเห็นอสุภกรรมฐาน32โกฏฐาตเห็นซากผีดิบในตนชื่อว่าได้ถือเอาความสุขในทางพระนิพพานวิธีเจริญอสุภกรรมฐานตามลำดับคือให้ปลงจิตลงในเกสาให้เห็นเป็นอสุภ แล้วให้สําคัญในเกสานั้นว่าเป็นอนัตตาแล้วให้เอาโลมาตั้งลงลงจิตให้เห็นเป็นอสุภะเป็นอนัตตาแล้วเอาอนัขขาดันตาตั้งลงลงจิตให้เห็นเป็นอสุภะเป็นอนัตตาแล้วให้เอาตะโจตั้งลงตามลําดับไปจนถึงมัตเกมัทลุงคังเป็นที่สุดพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภะเป็นอนัตตาโดยนัยยะเดียวกันดูก่อนอานนท์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 ทั้งรูปหญิงรูปชายทั้งวัตถุข้าวของดีงามประนีตบรรจงอย่างใดอย่างหนึ่งเลยเพราะว่าความรักทั้งปวงนั้นเป็นกองกิเลสทั้งสิน้นถ้าห้ามใจให้ห่างจากกองกิเลสได้จึงจะได้รับความสุขทั้งชาตินี้และชาติหน้าถ้าหากใจยังพัวพันอยู่ในกองกิเลสแล้วถึงแม้จะได้รับความสุขสบายก็เพียงแต่ชาตินี้เท่านั้นเบื้องหน้าต่อไปไม่มีทางที่จะเสวยสุข มีแต่ได้เสวยทุกข์โดยถ่ายเดียวผู้มีปัญญาเมื่อได้เจริญอสุภานุสติกรร ม, มาฐานเอาทวตติงสาการ32เป็นอารมณ์ก็ควรละกองกิเลสตัณหาให้ขาดศูนย์เมื่อรู้แล้วปฏิบัติตามจึงจะเป็นผลเป็นกุศลต่อไปเมื่อรู้แล้วไม่ปฏิบัติตามก็หาผลอนิสงส์ไม่ได้เพราะละกิเลสตัณหาไม่ได้เปรียบเหมือนบุคคลผู้ตกเข้าไปในกองเพลิง เมื่อรู้ว่าเป็นกองเพลิงก็รีบปลีกออกหนีจึงจะพ้นจากความร้อนถ้ารู้ว่าตัวตกเข้าอยู่ในกองเพลิงแต่ไม่ได้พยายามที่จะหลีกหนีออกจะพ้นจากความร้อนความไหมอย่างไรได้ข้ออุปมาณนี้ฉันใดบุคคลผู้รู้แล้วว่าสิ่งนี้เป็นโทษแต่ไม่ได้ละเสียก็ไม่ได้พ้นจากโทษเหมือนกับผู้ไม่พ้นจากกองเพลิงฉะนั้นดูก่อนอานน์ผู้รู้แล้วและไม่ได้ทาตามนั้น จะนับว่าเป็นคนรู้ไม่ได้เพราะไม่เกิดมรรคเกิดผลสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเราะถาคตอนุญาตตั้งศาสนาธรรมคำสั่งสอนไว้นี้ก็เพื่อว่าเมื่อรู้แล้วว่าสิ่งใดเป็นโทษให้ละเสียไม่ใช่ตั้งไว้เพื่ออ่านเล่นฟังเล่นพูดเล่นเท่านั้นเลยบุคคลทั้งหลายได้เสวยทุก์ในมนุษย์และในอบายภูมินั้นไม่ใช่สิ่งอื่นเลยเป็นเพราะกิเลสราคะตัณหานั้นอย่างเดียว ถ้าบุคคลผู้ยังไม่พ้นจากกิเลสราคะตัณหาได้ตราบใดก็ยังไม่เป็นผู้พ้นจากอับายทุกข์ได้จนตราบนั้นบุคคลผู้มิได้พ้นจากกิเลสราคะตัณหานั้นจะทําบุญให้ทานสร้างกุศลอย่างแข็งแรงเท่าใดก็ดีก็จะได้เสวยความสุขในมนุษยยัโลกและเทวดาโลกเพียงเท่านั้นที่จะได้เสวยสุขในพระนิพพานนั้นเป็นอันไม่ได้เลยถ้าประสงค์ต่อพระนิพพานแท้ ให้โกนเกล้าเข้าบวชในพระศาสนาไม่ว่าบุรุษหญิงชายถ้าทําได้อย่างนี้ที่ว่าปฏิบัติใกล้ต่อพระนิพพานเพราะว่าเมืองนิพพานนั้นปราศจากกิเลสตัณหาเมืองมนุษย์และเมืองสวรรค์เป็นที่ส่งไว้ซึ่งกิเลสตัณหาไม่เหมือนเมืองพระนิพพานผู้มีปัญญาเพื่อปรารถนาความสุขในพระนิพพานจงออกบวชในพระพุทธศาสนาแล้วตั้งใจเจริญสมถวิปัสสนา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 นำเข้าไปสู่พระนิพพานเช่นนั้นหาไม่ได้ทำเพื่อระงับกิเลสตัณหาแล้วจึงจักไปพระนิพพานได้กิเลสตัณหานั้นมีอยู่ที่ตัวของเราถ้าเราไม่ทำให้ดับใครจะมาช่วยดับให้ต้นเงาเขามูลของกิเลสตัณหาอยู่ที่เราถ้าเราดับไม่ได้ก็ไม่ถึงซึ่งความสุขในพระนิพพานเท่านั้นในลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเทศนะต่อไปอีกว่าดูก่อนอานน์อันชื่อว่าเมืองพระนิพพานย่อมตั้งอยู่ในที่สุดแห่งโลกโลกมีที่สุดเพียงใดพระนิพพานก็ตั้งอยู่ที่สุดนั้นพระนิพพานเป็นพระมหานครอันใหญ่เป็นที่ปรรมาสุขหาที่เปรียบมิได้คำที่ว่าที่สุดแห่งโลกนั้นจะถือเอาอากาศโลกหรือจั ก, กรวาลโลกเป็นประมาณนั้นมิได้ อากาศโลกและจักรวาลโลกนั้นมีที่สุดเบื้องต่ําก็เพียงใต้แผ่นดินแผ่นดินนี้มีน้ํารองใต้น้ํานั้นมีลมลมนั้นหนาได้9ก้าแ0นสี่หมื่นโยดสําหรับรองน้ําไว้ใต้ลมนั้นลงไปเป็นอากาศหาที่สุดไม่ได้ที่สุดโลกเบื้องต่ําก็เพียงลมเท่านั้นอันว่าที่สุดแห่งจักรวาลโลกเบื้องกว้างนั้นมีอนันตจักรวาลเป็นเขต นอกอนันตจักรวาลออกไปก็เป็นอากาศว่างๆอยู่จึงว่าโดยขวางมีอนันตจักรวาลเป็นที่สุดอันว่าที่สุดแห่งจักรวาลโลกเบื้องบนนั้นมีอรูปพระพรมเป็นเขต พ, พราะอารูปประพรมสี่ชั้นนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นนิพพานพรมหรือนิพพานโลกนิพพานโลกนี้เป็นที่ไม่สิ้นสุดส่วนว่านิพพานของพระพุทธเจ้าซึ่งมีนามว่าโลกุตระนิพพานนั้น เป็นนิพพานที่สุดที่แล้วต่อจากอารูปประพรมสี่ชั้นขึ้นไปก็เป็นแต่อากาศว่างๆอยู่จึงว่าที่สุดเบื้องบนเพียงอรูปประพรมเท่านั้นจะเข้าใจเอาเองว่าลมรองน้ําและอนันตจักรวาลและอรูปประพรมเป็นที่สุดของโลกเบื้องพระนิพพานของตั้งอยู่ในที่สุดของโลกเหล่านั้นดังนี้พระพุทธเจ้าห้ามเสียว่าอย่าพึงเข้าใจอย่างนั้นเลยที่ทั้งหลายเหล่านั้น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 ก็จะเห็นพระนิพพานพระนิพพานก็หากตั้งอยู่ในที่สุดแห่งโลกนั่นเองดูก่อนอานน์บุคคลทั้งหลายถึงที่สุดโลกออกจากโลกได้แล้วจึงชื่อว่าถึงพระนิพพานและรู้ตนว่าเป็นผู้พ้นทุกข์แล้วและอยู่สุขสำราญเบิกบานใจทุกเมื่อหาความเร่าร้อนโศกเศร้าเสียใจไม่ได้ถ้าผู้ใดยังไม่ถึงที่สุดโลกยังออกจากโลกไม่ได้ตราบใดก็ชื่อว่ายังไม่ถึงพระนิพพาน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 คนไม่รู้ไม่แจ้งว่าพระนิพพานอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรฉันแต่ทางจะไปก็ไม่เข้าใจเป็นแต่อยากได้อยากถึงอยากไปพระนิพพานเมื่อเป็นเช่นนี้การได้การถึงของผู้นั้นก็ต้องเป็นของลำบากยากแค้นอยู่เป็นธรรมดาบางทีก็ตายซิีเปล่าจากไม่ได้เห็นเงื่อนเขาของพระนิพพานเลยผู้ศึกษาพึงเข้าใจว่าพระนิพพานอยู่ที่สุดของโลกศีล ส, สมาธิปัญญา เป็นทางไปพระนิพพานถ้ารู้อย่างนี้ยังมีทางที่จะถึงพระนิพพานได้บ้างแม้เมื่อรู้แล้วอย่างนั้นก็จำต้องภาคเพียรพยายามเต็มที่จึงจะถึงเหมือนคนตาดีว่ายข้ามน้ำก็ต้องพยายามจนสุดกำลังจึงจะข้ามพ้นได้มีอุปมาเหมือนกันฉะนั้นดูก่อนอาน o น์บุคคลทั้งหลายผู้ปรารถนาพระนิพพานควรศึกษาให้รู้แจ้งครั้นรู้แจ้งแล้ว จากถึงก็ตามไม่ถึงก็ตามก็ไม่เป็นทุกข์แก่ใจถ้าไม่รู้แต่อยากได้ย่อมเป็นทุกข์มากนักเปรียบเหมือนบุคคลอยากได้วัตถุสิ่งหนึ่งแต่หากไม่รู้จักวัตถุสิ่งนั้นถึงวัตถุสิ่งนั้นจะมีอยู่ในที่จาเพาะหน้าก็ไม่อาจถือเอาได้เพราะไม่รู้ถึงจะมีอยู่ก็มีเปล่าๆส่วนตัวก็ไม่หายความอยากได้จึงเป็นทุกข์ยิ่งนักผู้ปรารถนาพระนิพพานแต่ไม่รู้จักพระนิพพาน ก็เป็นทุกข์เช่นนั้นจะถือเสียว่าไม่รู้ก็ช่างเถอะเราปรารถนาเอาคงจะได้คิดอย่างนี้ก็ผิดไปใช้ไม่ได้แม้แต่ผู้รู้แล้วตั้งหน้าบากบั่นขนวายจะให้ได้ให้ถึงก็เป็นการยากลำบากอย่างยิ่งบุคคลผู้ไม่รู้ไม่เห็นพระนิพพานและจะถึงพระนิพพานจากมีมาแต่ไหนอย่าว่าแต่พระนิพพานเลยแม้จะกระทาการสิ่งใดก็ดีเป็นต้นว่าช่างเงิน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 แล้วไม่ควรประบาทแม้ปรารถนาจะไปก็ไปแม้ไม่ปรารถนาจะไปก็อย่าไปท่านเห็นดีแล้วจิตประสงค์แล้วก็ให้ปฏิบัติในคลองแห่งพระนิพพานด้วยจิตอันเลื่อมใสก็อาจจาักสำเร็จถึงไม่สำเร็จก็จักเป็นอุปนิสัยปัจจัยต่อไปผู้ที่ไม่รู้แม้ปรารถนาจะไปหรือไม่ไปอยู่ใกล้ที่นั้นบ่อยๆก็ไม่อาจถึงเพราะเข้าใจผิดคิดว่าอยู่ที่นั้นที่นี้ ก็เลยผิดไปตามจิตที่คิดหลงไปหลงมาอยู่ในวัตฏะสงสารไม่มีวันที่จะถึงพระนิพพานได้ดูก่อนอานนท์บุคคลผู้ไม่รู้ไม่แจ้งไม่เข้าใจในพระนิพพานไม่ควรจะสั่งสอนพระนิพพานแก่ท่านผู้อื่นถ้าขืนสั่งสอนก็จะพาท่านหลงหนทางจักเป็นบาปเป็นกรรมแก่ตนควรจะสั่งสอนแต่เพียงครองแห่งทางมนุษย์สุขติสวรรสุขติเป็นต้นว่า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 ศิลปปฏติโมกเสียก่อนจึงที่ว่าเข้าใกล้ทางมีโอกาสที่จะได้จักถึงโลกุตรนิพพานโดยแท้แม้ผู้จะเจริญคลองพระนิพพานนั้นก็ให้รู้จักท่านผู้เป็นครูว่ารู้แจ้งทางพระนิพพานจริงจึงไปอยู่เล่าเรียนถ้าไปอยู่เล่าเรียนในสํานักของท่านผู้ไม่รู้แจ้งก็จะไม่สําเร็จโลกุตรานิพพานได้เพราะว่าครองแห่งโลกุตรนิพพานนี้เล่าเรียนได้ด้วยยากยิ่งนัก ด้วยเหตุสัตยินดีอยู่ในกรรมมุณอันเป็นค่าศึกแก่พระนิพพานโดยมากถ้าแต่พระอริยกัสสปะผู้มีอายุพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ด้วยประการดังนี้ขอให้พระสงฆ์ทั้งหลายจงทราบด้วยพระยาแห่งตนดังแสดงมานี้เถิดลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์ อันว่าบุคคลทั้งหลายผู้ปรารถนาซึ่งพระนิพพานควรสแสวงหาซึ่งครูที่ดีที่อยู่เป็นสุขสมบัติมิได้ประมาทเพราะพระนิพพานไม่เหมือนของสิ่งอื่นอันของสิ่งอื่นนั้นเมื่อผิดไปแล้วก็มีทางแก้ตัวได้หรือไม่สู้เป็นอะไรนักเพราะไม่ละเอียดสุขุมมากส่วนพระนิพพานนี้ละเอียดสุขุมที่สุดถ้าผิดแล้วก็เป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์เป็นนักหนาทําทให้หลงโลกหลงทางห่างความสุข ทำให้เสียประโยชน์เพราะอาจารย์ถ้าได้อาจารย์ที่ถูกที่ดีก็จะได้รับผลที่ถูกที่ดีถ้าได้อาจารย์ที่ไม่รู้ไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องก็จะได้รับผลที่ผิดเป็นทุกข์พาให้หลงโลกหลงทางพาให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารสิ้นกาลนานเปรียบเหมือนผู้จะพาเราไปในที่ตาบลใดตาบลหนึ่งแต่ผู้นั้นไม่รู้จักตาบล น, นั้นแม้เราเองก็ไม่รู้เมื่อกระนั้น ฉ น, นเขาจึงจะพาเราไปให้ถึงตำบล น, นั้นได้เล่าข้ออุปมานี้ฉันใดอาจารย์ผู้ไม่รู้พระนิพพานและจะพาเราไปพระนิพพานนั้นก็จะพาเราหลงโลกหลงทางไปไปม า, มาตายตายเกิดเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่อาจจะถึงพระนิพพานได้เหมือนคนที่ไม่รู้จักตำบลที่ไปและเป็นผู้พาไปก็ไม่อาจจะถึงได้มีอุปมาฉะนั้น ผู้ค ร, ครูอาจารย์ที่ไม่รู้ดีและได้ผลที่ไม่ดีมีในโลกมีใช่น้อยเหมือนดังพระองค์คลีมานลเถระไปเรียนวิชาในสำนักครูผู้มีทิฐิอันผิดได้รับผลที่ผิดคือเป็นมหาโจรฆ่าคนล้มตายเสียนับด้วยพันหากเราตถาคตรู้เห็นมีความสงสารเวทนามาคล้องในข่ยสยามภูยานจึงได้เป็นโปรดทรมานให้ละเสียซึ่งพย์อันร้ายเป็นการลำบากมิใช่น้อย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 าจะจะพาเขาหลงโลกหลงทางเป็นบาปเป็นกรรมแก่ตัวนักหนาทีเดียวพระพุทธเจ้าตรัสแก่ข้าอานน์ดังนี้แหละลำดับนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์อันว่าบุคคลผู้จะสอนพระนิพพานนั้นต้องให้รู้แจ้งประจักษ์ชัดเจนว่าพระนิพพานมีอยู่ในที่นั้นๆมีลักษณะอาการอย่างนั้นๆต้องรู้ให้แจ้งชัด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 อันทุกในนรกนั้นจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามถ้าทากรรมที่เป็นบาปแล้วผู้ที่รู้หรือผู้ที่ไม่รู้ก็ตกนรกเหมือนกันถ้าไม่รู้จักนรกก็ยิ่งไม่มีเวลาพ้นนรกได้ถึงจะทำบุญให้ทานสักปานใดก็ไม่อาจพ้นจากนรกได้แต่ไม่ใช่ว่าทำบุญให้ทานไม่ได้บุญความสุขที่ได้แต่การทำบุญนั้นมีอยู่แต่ว่าเป็นความสุขที่ยังไม่พ้นจากทุกในนรก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 ทางออกจากนรกนั้นก็คือศีลห้าศีลสิบศีลพระปฏิโมกนั่นเองเมื่อรู้แล้วอยากจะออกให้พ้นก็ออกได้ไม่อยากจะออกให้พ้นก็ออกพ้นไม่ได้ผู้ที่รู้กับผู้ที่ไม่รู้ย่อมได้รับทุกข์ในนรกเหมือนกันส่วนความสุขในมนุษย์ในสวรรค์และพระนิพพานนั้นต้องรู้จักจริงจะได้ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ได้เลยมีอาการต่างกันอย่างนี้ดูก่อนอาหนน เมื่อจยากรู้จักนรกและสวรรค์และพระนิพพานก็ควรให้รู้เสียในเวลาก่อนที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่ออยากพ้นทุก์ในนรกก็รีบออกให้พ้นเสียแต่เมื่อยังไม่ตายเมื่ออยากได้สุขในมนุษย์หรือในสวรรค์หรือในพระนิพพานก็ให้รีบโขนขวายหาสุขเหล่านั้นไว้แต่เมื่อยังไม่ตายจะถือว่าตายแล้วจึงจกพ้นทุกในนรกตายแล้วจึงจกไปสวรรค์ไปพระนิพพานดังนี้เป็นอันใช้ไม่ได้เสียประโยชน์เปล่า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 ก็ได้รับความสุขฉันนั้นไม่ต้องสงสัยเมื่อยังมีชีวิตยอยู่ยังไม่รู้ไม่เห็นซึ่งความทุกข์และความสุขมีสภาวะปานดังนี้เมื่อตายไปแล้วยิ่งจะซ้ำร้ายจะมีทางรู้ทางเห็นได้ด้วยอาการอย่างไรพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาแก่ข่าอานนท์ด้วยประการดังนี้ลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์ บุคคลผู้ไม่ได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลเป็นต้นไว้สำหรับตัวแต่ก่อนแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดอยากได้ความสุขแต่ไม่ได้กระทำตนให้ได้รับความสุขไว้ก่อนแต่เมื่อ ย, ยังมีชีวิตอยู่เข้าใจเสียว่าตายไปแล้วภายหน้าจึงจะได้รับความสุขเช่นนี้ผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดอยากให้ตนพ้นจากทุกข์แต่ไม่ได้กระทำตนให้พ้นทุกข์ เสียแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่เข้าใจเสียว่าตายไปแล้วจึงจกพ้นทุกข์ดังนี้ผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลใดที่ทำความเข้าใจว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่นี้เป็นอย่างหนึ่งตายไปแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งบุคคลผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดเข้าใจเสียว่าเมื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่นี้ไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ไม่เป็นก็ช่างเถิดไม่เป็นไรตายไปแล้วภายหน้า หากจากรู้จักเห็นจากได้จักเป็นผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดเข้าใจเสียว่าเมื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่นี้สุขก็ช่างเถิดตายไปแล้วหากจากได้สุขผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดถือเสียว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่นี้ทุกข์ก็ช่างเถิดไม่เป็นไรตายไปแล้วหากจากได้สุขผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดถือเสียว่า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 ชือว่าเป็นคนหลงสิ้นทั้งนั้นแม้ความสุขอย่างสูงคือพระนิพพานผู้ปรารถนาก็พิ่งรีบขนกวายให้ได้ให้ถึงเดียงแต่เมื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่นี้ดูก่อนอานน์อันว่าความสุขในพระนิพพานนั้นมีสองประเภทคือดิบหนึ่งสุขหนึ่งได้ความว่าเมื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่ได้สวยสุขในพระนิพพานนั้นได้ชื่อว่าพระนิพพานดิบ เมื่อตายไปแล้วได้สวยสุขในพระนิพพานนั้นชื่อว่าพระนิพพานสุขพระนิพพานมีสองประเภทเท่านี้นิพพานโลกีนิพพานพรมเป็นนิพพานหลงไม่นับเข้าในที่นี้พระนิพพานดิบนั้นเป็นของสําคัญควรให้รู้ให้เห็นให้ได้ให้ถึงไว้เสียแต่ก่อนตายถ้าไม่ได้พระนิพพานดิบนี้ตายไปก็จะได้พระนิพพานสุขนั้นไม่มีเลย ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจก็ยิ่งไม่มีทางได้แต่รู้แล้วเห็นแล้วพยายามจะให้ได้ให้ถึงก็แสนยากแสนลาบากยิ่งนักหนาผู้ใดเห็นว่าพระนิพพานมีอย่างเดียวตายแล้วจึงจะได้ผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนหลงส่วนพระนิพพานดิบนั้นจักจัดเอาความสุขอย่างละเอียดเหมือนอย่างพระนิพพานสุขนั้นไม่ได้แต่ก็เป็นความสุขอันละเอียดสุขขุมหาสิ่งเปรียบไม่ได้อยู่แล้ว แต่หากยังมีกลิ่นรสแห่งทุกข์กระทบถูกต้องอยู่จึงไม่ละเอียดเหมือนพระนิพพานสุขเพราะพระนิพพานสุขไม่มีกลิ่นรสแห่งทุกข์จะมากล้ามกรายปราศจากสรรพสิ่งทั้งปวงแต่พระนิพพานดิบนั้นต้องให้ได้ไว้ก่อนตายดูก่อนอาน o ์อันว่าพระนิพพานนั้นพึงให้ดูอย่างแผ่นพระธรณีมีลักษณะอาการฉันใดก็ให้ตัวเรามีลักษณะอาการฉันนั้นถ้าทําได้เช่นนั้น ก็ได้ชื่อว่าถึงพระนิพพานดิบถ้าทาไม่ได้แต่พูดว่าอยากได้จะพูดมากมายเท่าไรก็ตามก็ไม่อาจที่จะได้ค่ถึงเลยถ้าปรารถนาจากถึงพระนิพพานแล้วต้องทำจิตทำใจของตนให้เป็นเหมือนแผ่นดินเสียก่อนไม่ใช่เป็นของทำได้ด้วยง่ายต้องภาคเพียรลำบากอย่างยิ่งนักจึงจะได้จะเข้าใจว่าปรารถนาเอาด้วยปากก็คงจะได้อย่างนี้เป็นคนหลงไป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 ก็อย่าตามเขาไปให้เข้าใจอยู่ว่าเราอยู่ไปคอยวันตายเท่านั้นประโยชน์อะไรกับวัตถุเข้าของและตัวตนอันเป็นของภายนอกแต่ใจซึ่งเป็นของภายในและเป็นของสำคัญก็ยังต้องให้ปล่อยให้วางอย่าถือเอาว่าเป็นของของตัวกล่าวไว้แต่พอให้เข้าใจเพียงเท่านี้นโดยสังเขปดูก่อนอาน o ์คาที่ว่าให้ปล่อยวางจิตใจนั้นคือว่า ให้ละความโลภความโกรธความหลงโปรงเสียซึ่งการร้ายและการดีที่บุคคลนำมากล่าบมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศ ด, ดินธาสันเสริญสุขทุกขอย่ายินดีอย่ายินร้ายแม้ปัจจัยเครื่องบริโภคเป็นต้นว่าอาหารการกินผ้าผ่อนเครื่องนุ่งห่มและที่อยู่ที่นอนเพศัตว์สำหรับแก้โรค ก, ก็ให้ละความโลภความหลงในปัจจัยเหล่านั้นเสีย ให้มีความมักน้อยในปัจจัยแต่ไม่ใช่ว่าจะห้ามเสียว่าไม่ให้กินไม่ให้นุ่งห่มไม่ให้อาศัยในสถานที่ไม่ให้กินอยู่กินยาเช่นนั้นก็หามิได้คือให้ละความโลเลในปัจจัยเท่านั้นคือว่าเมื่อได้อย่างดีอย่างประนีตก็ให้บริโภคอย่างดีอย่างประนีตได้อย่างเร็วสามต่ำช้าก็ให้บริโภคอย่างเรวซามต่าช้าตามมีตามได้ ไม่ให้ใจขุ่นบัวด้วยความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้แลชื่อว่าปล่อยวางใจเสียได้ถ้ายังเลือกปัดใจอยู่คือปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงเข้าครอบงำเพราะเหตุแห่งปัดใจสิง่งใดอย่างหนึ่งอยู่ชื่อว่ายังถือจิตถือใจอยู่ยังไม่ถึงพระนิพพานได้เลยถ้าละความโลภโกรธหลงในปัใจใยนั้นได้แล้วจึงชื่อว่า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 มีคำวิสัชนาไว้ว่าผู้ที่เข้าใจว่าใจนั้นเป็นของของตัวจริงผู้นั้นก็เป็นคนหลงความจริงไม่ใช่จิตใจของเราแท้ถ้าหากเป็นจิตใจของเราแท้ก็คงบังคับได้ตามประสงค์ว่าอย่าให้แก่อย่าให้ตายก็คงจะได้สักอย่างเพราะเป็นของของตัวอันที่แท้จิตใจนั้นหากเป็นลมอันเกิดยูสาหรับโลกไม่ใช่จิตใจของเรา โลกเขาตั้งแต่งไว้ก่อนเราเราจึงเข้ามาอาศัยอยู่กับด้วยลมจิตใจในะการเป็นภายหลังถ้าหากว่าเป็นจิตใจของเราเราพาเอามาเกิดครั้นเกิดแล้วจิตใจนั้นก็หมดไปใครจะเกิดขึ้นมาได้อีกนี่ไม่ใช่จิตใจของใครสักคนเป็นของมีอยู่สําหรับโลกผู้ใดจะเกิดก็ถือเอารมนั้นเกิดขึ้นครั้นได้แล้วก็เป็นจิตของตนที่จริง เป็นของสำหรับโลกทั้งสิ้นที่ว่าจิตใจของตนนั้นก็เพียงให้รู้ซึ่งการบูญการกุศลการบาป ก, การอากุศลและเพียงให้รู้ทุกสุขสวรรค์และพระนิพพานถือไว้ให้ถึงที่สุดเพียงพระนิพพานเท่านั้นถ้าถึงพระนิพพานแล้วต้องวางจิตใจคืนไว้แก่โลกตามเดิมเสียก่อนถ้าวางไม่ได้เป็นโทษไม่อาจถึงพระนิพพานได้มีคาแก้ไว้อย่างนี้ ลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าดูก่อนอาณนน์บุคคลทั้งหลายที่หลงขึ้นไปบังเกิดในอรูปประรมอันปราศจากความรู้นั้นก็ล้วนแต่บุคคลผู้ปรารถนาพระนิพพานแต่ไม่รู้จักวางใจให้สิ้นให้หมดทุกนั้นเองไม่รู้จักวางจิตวิญญาณอันตนเข้ามาอาศัยอยู่กับด้วยลมของโลกทำความเข้าใจว่าเป็นจิตของตัวและเข้าใจว่า พระนิพพานมีอยู่ในเบื้องบนนั้นตัวก็นึกเอาจิตเอาใจของตัวขึ้นไปเป็นสุขอยู่ในที่นั้นครั้นตายแล้วก็เลยพาเอาตัวขึ้นไปอยู่ในที่อันไม่มีรูปตามที่จิตตนนึกไว้นั้นดูก่อนอานน์พู้ที่หลงขึ้นไปอยู่ในอรูปประพรมแล้วและจักได้ถึงโลกุตรนิพพานนั้นช้านานยิ่งนักเพราะว่าอายุของอรูปประพรมนั้นยืนนักจะนับว่าเท่านั้นเท่านี้ มิอาจนับได้จึงชื่อว่านิพพานโลกีต่างกันแต่มิได้ดับวิญญาณเท่านั้นถ้าหากดับวิญญาณก็เป็นพระนิพพานโลกุตระได้ส่วนความสุขความสําราญในพระนิพพานทั้งสองนั้นก็ประเสริฐเลิศโลกเสมอกันไม่ต่างกันแต่นิพพานโลกีเป็นนิพพานที่ไม่สิ้นสุดเท่านั้นเมื่อสิ้นอํานาจของฌานแล้วยังต้องมีเกิดแก่เจ็บตายร้ายและดีคุณและโทษ สุขและทุกข์ยังมีอยู่เต็มที่เพราะเหตุนั้นผู้ใดผู้หนึ่งจะปรารถนานิพพานพรมไม่มีเลยย่อมมุ่งต่อโลกุตระนิพพานด้วยกันทั้งนั้นแต่ไม่รู้จักปล่อยวางวิญญาณจึงหลงไปเกิดเป็นอรูปประพรมส่วนโลกุตระนิพพานนั้นปราศจากวิญญาณวิญญาณยังมีที่ใดความเกิดแก่เจ็บตายก็มีอยู่ในที่นั้นโลกุตระนิพพานปราศจากวิญญาณ จึงไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมีแต่ความสุขสบายปราศจากอามิตรหาความสุขอันใดจะมาเปรียบด้วยพระนิพพานนั้นไม่มีขึ้นที่ว่าความเกิดความตายความร้ายความดีบาปบุญคุณโทษสุขทุกข์ความทุกข์ยากลําบากเข็นใจทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีในพระนิพพานเลยพระพุทธเจ้าตรัสแก่ข้าอานน์ดังนี้แล ลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าดูก่อนอานน o ์บุคคลผู้ปรารถนาพระนิพพานแต่ยังปล่อยวางใจไม่ได้ยังอาไลาถึงความสุขอยู่คิดว่าพระนิพพานอยู่ในที่นั้นที่นี้จะเอาจิตแห่งตนไปเป็นสุขในที่แห่งนั้นครั้นจากปล่อยวางใจเสียก็กลัวว่าจะไม่มีอันใดนําไปให้เป็นสุขถือใจอาัยสุขเหตุนั้น จึงไม่ได้พ้นพระนิพพานผมดูก่อนอานน์เราตถาคตแสดงว่าให้ปลงใจให้วางใจนั้นเราชี้ข้อสําคัญเอาที่สุดมาแสดงเพื่อให้รู้ให้เข้าใจได้ง่ายการวางใจปลงใจนั้นคือวางสุขวางทุกขวางบาปบุญคุณโทษวางโลภโกรธหลงวางลาบยศ ด, ดินทาสรรเสริญหมดทั้งสิ้นเหมือนดังไม่มีหัวใจจึงชื่อว่า ทำให้เหมือนแผ่นดินถ้ายังทําไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้โลกุตรนิพพานเลยถ้าทําตัวให้เหมือนแผ่นดินได้ในการใดพึงหวังเถิดพึงโลกุตระนิพพานคงได้คงถึงในการนั้นโดยไม่ต้องสงสัยพระนิพพานเป็นของได้ด้วยยากยิ่งนักแสนคนจะได้แต่ละคนก็ทั้งยากดูก่อนอานนุน ผู้ไม่ได้ทำอริยมรรคปฏิปทาให้เต็มที่ยังเป็นปุถุชนหนาไปด้วยกิเลสหาปัญญามิได้และจักวางใจทำตัวให้เป็นเหมือนแผ่นดินนั้นไม่อาจทำได้เลยเหตุที่เขาวางใจไม่ได้เขายังถือตัวถือใจอยู่ว่าเป็นของของตัวแท้จึงต้องทรมานทนทุกข์อยู่ในโลกเวียนว่ายตายเกิดแล้วแล้วเล่าเ ล, ลไม่สิ้นสุดดูก่อนอานน์ ผู้ที่วางใจทำตัวให้เป็นเหมือนแผ่นดินนั้นมีแต่บุคคลผู้เป็นนักปราและเป็นสัตบุรุษจำพวกเดียวเท่านั้นเพราะท่านไม่ถือตนถือตัวท่านวางใจให้เป็นเหมือนแผ่นดินได้ท่านจึงได้ถึงพระนิพพานส่วนผู้ที่ถือตัวถือใจปล่อยวางไม่ได้นั้นล้วนแต่เป็นคนโง่เขลาสิ้นทั้งนั้นบุคคลที่เป็นสัตบุรุษท่านเห็นแจ้งชัดซึ่งอนัตตา ท่านถือใจของท่านไว้ก็เพียงแต่ให้รู้บาปบุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์รู้ทางสุขทางทุกข์ในมนุษย์และสวรรค์และพระนิพพานเท่านั้นครั้นถึงที่สุดท่านก็ปล่อยวางเสียตามสภาวะแห่งอนัตตาส่วนคนโง่เหล่านั้นถือตนถือตัวถือว่าร่างกายเป็นอัตตาตัวตนจึงปล่อยวางไม่ได้ดูก่อนอาน o น์อันว่าบุคคลที่ถือใจนั้น ย่อมเป็นคนมักโลภมักโกรธมักหลงบุคคลจำพวกใดที่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงนั้นจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นขรรค์หัดก็ตามก็หาความสุขไม่ได้เบื้องหน้าแต่ตายไปก็หาความสุขในมนุษย์แห่สวรรค์ไม่ได้เลยย่อมมีอบายเป็นที่ไปณนะเบื้องหน้าโดยแท้ดูก่อนอานน์บุคคลทั้งหลายผู้ปรารถนาเข้าสู่พระนิพพาน จงวางเสียซึ่งใจอย่าอะไรความสุขการวางใจก็คือวางสุขวางทุกข์และบาปบุญคุณโทษร้ายดีซึ่งเป็นของสำหรับโลกนี้เสียให้สิ้นสิ่งเหล่านี้สร้างไว้สำหรับโลกนี้เท่านั้นเมื่อต้องการพระนิพพานแล้วต้องปล่อยวางไว้ในโลกนี้สิ้นทั้งนั้นจึงจะได้ความสุขในพระนิพพานซึ่งเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขอันหาส่วนเปรียบไม่ได้ ดูก่อนอาน o น์เมื่อจะถือเอาความสุขในพระนิพพานแล้วก็ให้วางใจในโลกีนี้เสียให้หมดสิน้นอันว่าความสุขในโลกีก็มีอยู่แต่ในอินทรีทั้งหกนี้เท่านั้นในอินทรีทั้งหกนั้นยกเอาใจไว้เป็นเจ้าเอาประสาททั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายนั้นเป็นกรรมคุญทั้งห้าประสาททั้งห้านี้เอง เป็นผู้แต่งความสุขให้แก่เจ้าพระยาจิตรราชประสาทตานั้นเขาได้เห็นได้ดูรูปวัตถุสิ่งของอันดีงามต่างๆก็นำความสุขไปให้แก่เจ้าพระยาจิตรราชประสาทหูนั้นเมื่อเขาได้ยินได้ฟังศัพท์สำเนียงที่ไพเราะเป็นที่ชื่นชมทั้งปวงก็นำความสุขสนุกสนานไปให้แก่เจ้าพระยาจิตรราชประสาทจมูกนั้น เมื่อเขาได้จูบชมดมกลิ่นสุคันธรสของหอมต่างๆก็นำความสุขไปให้แก่เจ้าพระยาจิตรราชประสาทลิ้นนั้นเมื่อเขาบริโภคอาหารอันโอชารสวิเศษต่างๆก็นำความสุขสนุกสนานไปให้แก่เจ้าพระยาจิตรราชประสาทกายนั้นเมื่อเขาได้ถูกต้องฟูกเบาหมาะหมอนและนุ่งห่มประดับเครื่องกกุฏภัณฑ์อันสวยงามและบริโภคกรรมคุณ ก็นำความสุขสนุกสนานไปให้แก่เจ้าพระยาจิตรราชเจ้าพระยาจิตรราชนั้นก็คือใจนั่นเองส่วนใจนั้นเป็นใหญ่เป็นผู้คอยรับความสนุกสนานอย่างเดียวเท่านั้นส่วนประสาททั้งห้าเป็นผู้สำหรับนำความสุขไปให้แก่ใจประสาททั้งห้าจึงชื่อว่ากามคุณส่วนความสุขในโลกนี้มีแต่กามคุณทั้งหานี้เท่านั้นจะเป็นเจ้าประเทศราชในบ้านน้อยเมืองใหญ่ ตลอดขึ้นไปจนถึงเทวโลกก็มีแต่การมามคุณทั้งห้านี้เท่านั้นดูก่อนอานนท์ผู้ที่จะนำตนไปให้เป็นสุขในพระนิพพานต้องวางเสียซึ่งความสุขในโลกีถ้าวางไม่ได้ก็ไม่ได้ความสุขในพระนิพพานเลยถ้าวางสุขในโลกีไม่ได้ก็ไม่พ้นทุกข์ด้วยความสุขในโลกีเป็นความสุขที่เจืออยู่ด้วยทุกข์ครั้นเมื่อถือเอาสุขก็คือถือเอาทุกข์นั่นเอง ครั้นไม่วางสุขก็คือไม่วางทุกข์นั่นเองจะเข้าใจว่าเราจะถือเอาแต่สุขทุกขไม่ต้องการดังนี้ไม่ได้เลยเพราะสุขทุกข์เป็นของเนื่องอยู่ด้วยกันถ้าไม่วางสุขเสียก็เป็นอันไม่พ้นทุกข์ดูก่อนอาน o ์บุคคลทั้งหลายผู้ที่จะรู้ว่าสุขทุกข์ติดกันอยู่นั้นหายากยิ่งนักมีแต่เราตถาคตผู้ประกอบด้วยทุศพลลญาณ น, นี้เท่านั้น บุคคลทั้งหลายที่ยังเป็นปุถุชนคนโง่เหล่านั้นทําความเข้าใจว่าสุขก็มีอยู่ต่างหากทุกข์ก็มีอยู่ต่างหากทั้นเราถือเอาสุขเราก็ได้สุขเราก็ไม่ถือเอาทุกข์ทุกข์ก็ไม่มีดังนี้เพราะเหตุที่เขาไม่รู้ว่าสุขกับทุกข์ติดกันอยู่เขาจึงไม่พ้นทุกข์เมื่อผู้ใดอยากพ้นทุกข์ให้วางสุขเสียก็เป็นอันละทุกข์วางทุกข์ด้วยเหมือนกัน ใครเล่าจะมีความสามารถพรากสุขทุกออกจากกันได้ถ้าหากเราสถาคตพรากสุขและทุกออกจากกันได้เราจะปรารถนาเข้าสู่พระนิพพานทาไมเราจะถือเอาแต่สุขอย่างเดียวสวยแต่ความสุขอยู่ในโลกเท่านี้ก็เป็นอันสุขสบายพออยู่แล้วนี่ไม่เป็นเช่นนั้นเราสแสวงหาความสุขโดยส่วนเดียวไม่มีทางที่จะพึงได้เราจึงวางสุขเสีย ครั้นวางสุขแล้วทุกขไม่ต้องวางก็หายไปเองอยู่กับเราไม่ได้เราจึงสําเร็จพระนิพพานพ้นจากกองทุกข์ด้วยประการดังนี้ดูก่อนอานนอ์อันสุขในโลกีนั้นถ้าตรวจตรองให้แน่นอนแล้วก็หากเป็นกองแห่งทุกข์นั่นเองเขาหากเกิดมาเป็นมิตรติดกันอยู่ไม่มีผู้ใดจะพรากออกจากกันได้เราตถาคตกลัวทุกข์เป็นอย่างยิ่งหาทางชนะทุกข์ไม่ได้ จึงปรารถนาเข้าพระนิพพานเพราะเหตุกลัวทุกขนั้นอย่างเดียวพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข่าอานนท์ดังนี้แหละลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาสืบต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์กุศลธรรมและอกุศลธรรมนั้นได้แก่กองกิเลสพั0 0้า้นั่นเองอัพยกฤตธรรมนั้นคือองค์พระนิพพาน ครันพ้นจากกองกุศลธรรมและอกุศลธรรมนั้นแล้วจึงเป็นองค์แห่งพระอระหังและพระนิพพานโดยแท้ถ้ายังไม่พ้นจากกุศลและอกุศลตราบใดก็ยังไม่เป็นอัพญากฤตตราบนั้นคือยังไม่เป็นองค์พระอระหังยังไม่เป็นองค์พระนิพพานได้ดูก่อนอานนุ์นน ก, กุศลนั้นได้แก่กองสุอกุศลนั้นได้แก่กองทุก กองสุขและกองทุกนั้นหากเป็นของเกิดติดเนื่องอยู่ด้วยกันไม่มีใครจักพรากให้แตกออกจากกันได้ครั้นถืออากุศลคือกองสุขแล้วส่วนอกุศลคือกองทุกนั้นแม้ไม่ถือเอาก็เป็นอันได้อยู่เองดูก่อนอานน์เมื่อบุคคลต้องการพระนิพพานก็ให้วางเสียซึ่งความสุขนั้นก่อนความสุขในโลกีนั้นเองชื่อว่ากุศลจึงจักถึงพระนิพพาน ถ้าหากว่าไม่มีความสามารถคือไม่อาจาทำพันิพาณให้แจ้งได้ก็ให้ยุดเอากุศลนั้นไว้ก่อนพอให้ได้ความสุขในมนุษย์และสวรรค์แต่จะให้พ้นทุกนั้นไม่ได้ถ้าแล้วเมื่อรู้อยู่ว่าตนจักพ้นทุกข์ไม่ได้ก็ให้ยุดเอากุศลนั้นไว้เป็นสะพานสำหรับไต่ไปสู่ความสุขถ้ารู้ว่าตนยังไม่พ้นทุกซ้ำมาวางกุศลเสียก็ยิ่งซ้ำร้ายเพราะเมื่อวางกุศลเสียแล้ว ตนก็จักเข้าไปหากองอกุศลคือกองบาปเท่านั้นเมื่อตกเข้าไปในกองอกุศลอกุศล น, นั้นจะนําตัวไปทนทุกขเวทนาในอบายภูมิทั้งสหาความสุขในโลกไม่ได้เลยเพราะเหตุนั้นเมื่อตนยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้บําเพ็ญบุญกุศลไว้พอจะได้อาศัยเป็นสุขสบายไปในชาตินี้และชาติหน้าข้าแต่พระอริยกัสสปะพระพุทธเจ้า ัเทศนาแก่ข้าอานนนดังนี้ลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนเราจะถาคตจากแสดงในข้ออันเป็นที่สุดแต่โดยย่อพอให้เข้าใจง่ายที่สุดนั้นก็คือจิตกับตัณหาจิตนั้นจำแนกออกไปเรียกว่ากองกุศลคือกองสุขตัณหานั้น จำแนกออกไปเรียกว่ากองอากูสลคือกองทุกต้นเงาเขาหมูลแห่งทุกนั้นก็คือจิตและตัณหานี้เองจิตเป็นผู้คิดให้ได้เป็นดีมีสุขขึ้นส่วนตัณหานั้นก็ให้เกิดตามเห็นตามจิตมีความสุขมากขึ้นเท่าใดตัณหานั้นก็ให้เกิดทุกตามมากขึ้นไปเท่านั้นดูก่อนอานน์แต่เบื้องต้น เมื่อเราตถาคตยังไม่รู้แจ้งว่าสุขและทุกข์อยู่ติดด้วยกันเราก็ถือเอากุศลจิตอันเดียวหมายจากให้เป็นสุขอยู่ทุกเมื่อส่วนทุกข์จากไม่ให้มาก็ตั้งหน้าบำเพ็ญกุศลจิตเรื่อยไปเมื่อได้สุขเท่าใดทุกข์ก็พลอยเกิดมีเท่านั้นครั้นภายหลังเราพิจารณาด้วยญาณจากสุขปัญญาแลเห็นแจ้งชัดว่าสุขและทุกข์ติดอยู่ด้วยกัน ครั้นรู้แจ้งแล้วก็ตรึกตรองหาอุบายที่จะกําจัดสุขและทุกข์ให้พากออกจากกันนั้นแสนยากลําบากเหลือกําลังจนสิ้นปัญญาหาทางไปทางมาไม่ได้เราตถาคตจึงวางเสียซึ่งสุขคืนให้แก่ทุกข์คือวางใจให้แก่ตันหาครั้นเราวางใจไว้ให้แก่ตันหาแล้วความสุขในพระนิพพานก็เลยเข้ามารับเราให้ถึงพระนิพพานดิบในขณะนั้น พร้อมกับด้วยระวังใจไว้ให้แกตันหาดูก่อนอานนุ์เมื่อวางใจได้จึงเป็นอัพญากริจึงเรียกชื่อว่าถือเอาอัพญากฤิ์เป็นอารมณ์เป็นองค์พระอระหังคือได้เข้าตั้งอยู่ในพระนิพพานด้วยอาการดังนี้ลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาแก่ข่าอา น, นุสืบอตอไปอีกว่าดูก่อนอานนุอันว่าอารหังนั้น จะได้มีจำเพาะแต่เราตถาคตพระองค์เดียวก็หาไม่ได้ย่อมมีเป็นของสําหรับโลกสําหรับไว้โปรดสัตว์ตวโลกทั่วไปไม่ใช่ของแห่งเราตถาคตและของผู้หนึ่งผู้ใดเลยดูก่อนอานน์เราตถาคตเป็นผู้ไกลาจากกิเลสแล้วจึงได้ซึ่งพระอระหังบุคคลผู้ใดปราศจากกิเลสแล้วบุคคลผู้นั้นก็เป็นผู้ได้พระอระหังเสมอกันทุกคน บุคคลผู้ใดที่ยังไม่ปราศจากกิเลสถึงแม้จะอ้อนวอนเราตถาคต ว, ว่าอารหังอรหังดังนี้จนถึงวันตายก็ไม่อาจได้ซึ่งพระอระหังเลยเป็นแต่กล่าวด้วยปากเปล่าเท่านั้นและมาเข้าใจว่าการละกิเลสได้หรือไม่ได้นั้นไม่เป็นประมาณเมื่อได้อ้อนวอนหาซึ่งองค์พระอระหังเจ้าด้วยปากด้วยใจแล้วพระอระหังเจ้า ก็จกนำตนให้เข้าสู่พระนิพพานเข้าใจเสียอย่างนี้ที่ว่าเป็นคนหลงแท้แม้เมื่อตนยังไม่พ้นลามกมนฑินแห่งกิเลสแล้วไปอ้อนวอนพระอระหังที่หมดมนทินกิเลสให้มาตั้งอยู่ในตัวตนอันแปดเปื่อนด้วยลามกมนทินแห่งกิเลสจะมีทางได้มาแต่ไหนเปรียบเหมือนดังมีสะอยู่สะหนึ่งเต็มไปด้วยของเน่าของเหม็นสารพัด ท, ทั้งปวง เป็นสระมีน้ำเน่าเหม็นสาบเหม็นข่าวน่าเกลียดยิ่งนักและมีบุรุษคนหนึ่งตกอยู่ในสระนั้นหากว่าบุรุษคนนั้นร้องเรียกให้อานนท์ลงไปอยู่ในสระน้ำเน่ากับด้วยเขาอาน o ์จะไปอยู่ด้วยเขาหรือดูก่อนอาน o น์เราจะบอกให้สิ้นเชิงถ้าอานน o ์ลงไปอยู่ในสระกับด้วยบุรุษผู้แปดเปื้อนด้วยน้ำเน่าได้ดังนั้นองค์พระอารหังเจ้า ก็อาจไปตั้งอยู่กับด้วยบุรุษผู้แปดเปื้อนด้วยกิเลสได้เหมือนกันถ้าอานอน์ลงไปอยู่กับด้วยบุรุษแปดเปื้อนไม่ได้องค์อรหังเจ้าก็ไม่อาจไปตั้งอยู่กับด้วยบุคคลผู้แปดเปื้อนด้วยราคาที่กิเลสได้เหมือนกันเช่นนั้นดูก่อนอานอน์เธอจะอาจลงไปอยู่กับด้วยบุรุษแปดเปื้อนได้หรือไม่มีพุทธดีกาตรัสถามชะนี้ข้าอานอน์ จึงกราบทูลว่าลงไปอยู่ด้วยไม่ได้ถ้าเธอไม่ลงไปบุรุษผู้นั้นก็กล่าววิงวอนเธออยู่ร่ำไปจะสําเร็จหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญถ้าข้าพระองค์ไม่ลงไปบุรุษผู้นั้นก็ทําอะไรแก่ข้าพระองค์ไม่ได้ความปรารถนาก็ไม่สําเร็จเป็นแต่วิงวอนอยู่เปล่าๆเท่านั้นเองดูก่อ น, นอาน o ์ พออุปมาณี้ฉันใดบุรุษผู้จมอยู่ในน้ํานั้นเปรียบเหมือนบุคคลผู้ไม่ปราศจากมนทินลามกแห่งกิเลสพระอระหังนั้นเปรียบเหมือนตัวของอานอน์อานอน์ไม่ลงไปอยู่กับด้วยบุรุษแปดเปื้อนฉันใดพระอระหังท่านก็ไม่ไปอยู่กับบุคคลผู้แปดเปื้อนด้วยกิเลสฉันนั้นแม้จะวิงวอนไ้วยปากด้วยใจสักเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จพระอระหังท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ เป็นผู้พ้นทุกข์แล้วท่านไม่น้อมเข้าไปหาบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเลยครั้นบุคคลผู้ใดปรารถนาความสุขแล้วจงน้อมตัวเข้าไปหาท่านท่านก็โปรดให้ได้ความสุขทุกคนจะเข้าใจว่าพระอระหังท่านเลือกหน้าเลือกบุคคลจกติเตียนอย่างนั้นก็ไม่ควรถ้าแลผู้ใดพ้นจากกิเลสกามและพัสดุกามได้แล้วชื่อว่าน้อมตัวเข้าไปหาท่าน ท่านก็โปรดนำเข้าสู่พระนิพพานสเสวยสุขอยู่ด้วยท่านไม่เลือกหน้าเลือกบุคคลเลยเป็นแต่ผู้จมอยู่ด้วยกิเลสลามกละกิเลสไม่ได้ชื่อว่าไม่น้อมตัวเข้าไปหาท่านเองดูก่อนอานุนถึงตัวเราตถาคตก็ต้องน้อมตัวเข้าไปหาท่านท่านจึงโปรดให้ตถาคตนี้ได้เป็นครูแก่โลกเห็นปานดังนี้เพราะว่าพระอระหังท่านเป็นผู้ดี